ขอความเจริญในธรรมจะมงหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายไดร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงเล่าเรื่องของท่านสุมเมตตาบดต่อไปคือหลังจากท่านสุมเมตตาบดได้ทอดตัวลงเป็นสะพานพร้อมด้วยอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าและพระหัรทั้งหลายเหยียบหลังของท่านผ่านไป ในขณะเดียวกันภายในใจของท่านก็ตั้งอธิฐานเป็นรูปของสัตยาธิฐานด้วยมากของบุญกุศลที่ท่านได้กระทําในครั้งนี้ขอให้ท่านได้สสรูอนุตตรสมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจากยังสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากขั้วใหญ่ ต้งน้ำใหญ่ด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ทูตเจ้าทรงพนาวชีปังกรประทรงเหยียบตามคาปติฐานของท่านที่เป็นเช่นนี้พระทรงทราบว่าคาอติฐานของท่านจะบรรลุเป้าหมายอย่างแทจ้จริงแล้วก็ประทรงพยากร คำว่าพยากรเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ที่จริงโดยความหมายแล้วก็ไม่ค่อยตรงถ้อยเพราะนี่เป็นเรื่องของภาษาปัญญตญาณคือเป็นเรื่องของความจริงคือถ้าพูดได้ถูกต้องก็คือทรงสแสดงถึงความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเพราะพยากรณ์มันไม่แน่ และบางครั้งนี่เรามาใช้ในกรณีของโหราศาสตร์ของเรือผานานทีต่างๆแล้วก็พยากรณ์แต่ก็สามารถดุลลมได้นะฮะเพราะว่าการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศของคลมอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ก็จะถูกหรือพยากรณ์ระดับน้ำของคลุมอุตุนิยมของกลุมอุทกศาสตร์นี่ส่วนมากก็จะถูก ลำดับนั้นพระสุนเนศรธีปังกรสมมาสมุทิเจ้าก็เสด็จมาถึงณที่นั้นแล้วก็ประทับยืนอยู่เบื้องศรีรษะของสุเมศบัณดิตมันก่อนแล้วก็จัดประคาถาขณะประทับยืนตรงนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นใจความว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูดาวบทผู้มีตะบะรุ่งเรืองนี้ ในกับอันหาประมาณไม่ได้ต่อจากพระตรกับนี้ไปดา บ, บตีจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตจะเสด็จออกจากพกระนครกบิลพัทอณารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบรรพ็นทุกรกรุยาพระตถาคตจะประทับนั่งณนะขวงไม้อชปาลนิโครดทรงรับเข้าวปายาตณนะที่นั้น และเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำในรัญชา ร, า ร, ราพระจินนเจ้าพระองค์นั้นจะเสวยเข้าปลายาตณริมนะฝั่งแม่น้ำในรัญชาราแล้วเสด็จเข้าไปยังข้ามไปยังขวงไม้โพพึกตามบันคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงเกียรติคุณยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยม จากทำประทักษิณโพธิมุนทนแล้วจะสรูนักัวไม้อัศตรพฤษมรดาเพืให้กําเนิดของดาบทนี้จะมีนามว่ามายาพระบิดาจะมีนามว่าสุทโธธนะดาบทนี้จะมีนามว่าโคตมะพระเถระนามว่าโกลิตะละูกปฏิสะจกเป็นอากาสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จกเป็นอุปถาปฏิบัติบํารุงพระชิเนเจ้า ประเทวีนามว่าเคมาและอุบลวนาจะเป็นอัครสาวิกาตนไม้ที่สัสรูของพระผู้มีภาคเจ้านั้นชาวโลกเรียกว่าอสสัตถะจิตตะเกือบดีและอักกะเครือบบดีชาวเมืองอลวีจะเป็นอัครอุบาสกนันทามานดาและนางกุชุตราจะเป็นอัครอุปัฏฐายิกาสุเมตดา บ, บทเมื่อได้รับคาทานาย จากพระโอษฐของพระพุทธเจา้าก็บังเกิดสมนัตมีปิติยินดีก็เพิ่มความมั่นใจให้แก่ท่านว่าท่านจะต้องจรรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็ความปรารถาที่ตั้งไว้ผ่านพพชาติต่างๆนั้นก็จะสำเร็จประชาชนทั้งหลายที่มาเฝ้ารับเสด็จในคราบนั้นก็แสดงความชื่นชมดี ได้ประกาศบอกกล่าวการว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธังกูลคาว่าเป็นพุทธังกูลเนี่ยคือหน่อเนื้อเชื้อสายของพระพุทธเจ้าก็มีความพอใจยินดีตั้งความปรารถนาที่จะเกิดพบกลับสุเมตดาบทตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าและเพื่อตัวเองจะได้ฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าได้บรรลุมรรคผลไปด้วย ประเด็นตรงนีค่อนข้างเป็นประเด็นที่ใหญ่เราจะเห็นว่าโดหลักการแล้วตาแหน่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งเปิดอย่างที่บอกไว้ในวันแรกคือเปิดโอกาสให้คนทุกคนใช้ความเพียรพยายามตามระดับขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้คือขั้นตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนเนี่ยเปลีป่ยนแปลงได้ไมหมายความเปิดโอกาสกว้างให้กคนทุกคน แต่ใครก็ตามถ้าหากว่าบําเพ็ญแบบปัญญาธิกะอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ต้องผ่านความรู้สึกนคิดภายในใจมาเจ็ดสมคายกแล้วก็เปล่งวาจาด้วยเราคิดภายในใจด้วยอยู่ถึงเก้าสมคายเก้าสมคายกแล้วก็ได้รับการพยากรณ์ในสํานักพระพุทธเจ้าพปร่งใดโพร่งหนึ่งเราเห็นว่าโดยสัพพัญญุตยานเนี่ เป็นการบอกเหมือนกับบอกในขณะปัจจุบันทางที่เหตุการณ์จริงนั้นจะเกิดอีกตั้งเสียสงไข่กับก็ไม่แสนกลับได้ซ้ำปัญหาเรื่องพระาพันธ์ยุติธรรเป็นเรื่องที่ควรจะให้ความเคารพเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปแสดงความคิดความเห็นอะไร เพราะว่าเราเทียบตัวเรากัปบประสพันยุตยานแล้วมันมันเทียบอะไรไม่ได้นะฮะเหมือนกับไอหิ่งห้อยมาเทียบกับแสงกราชิบนี่มันก็ไม่มีแสงเพ ผ, ผลจากสัพพันยุตยานจําเป็นจะต้องใช้ศรัทธานำหรือว่าใช้ปัญญานําจะตามปกติแรกเขาใช้ศรัทธานําไปก่อนนะฮะ เพราะปัญญานั้นจะต้องผ่านการศึกษาการคิดปินิพิจารณาการสวสอบการลงมือประพฤติปฏิบัติจึงจะเป็นการยินยันได้แม้ในงแง่ของพระสัตว์ธรรมเองเวณีจากการที่ทำงานภาคศนามานานเนะี่ยที่เคยบอกไว้สีสิบกว่าปีแล้วก็ทำต่อนเนื่องมาตลอดด้วยก็ทำให้เกิด ความคิดที่จริงเรื่องความจริงแต่เราไม่ได้เฉลียวใจประเด็นตรงนี้แต่พอเกิดกรณีเรื่องธรรมกายขึ้นเนี่ยเราศึกษาติดตามเอกสารต่ตางๆว่าเออนี่มันจุดพลาดจุดพลาดตรงไหนคือเรามองตัวพระสัทธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นปริยัตเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หมายความว่าใครจะต้องยทำทําแกงอะไรก็ได้ใครจะพิพากวิจารณ์ยังไงก็ได้ เลยก็ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็โทรแสดงความคิดความเห็นขอฟังความเห็นคืออธิบายท่านฟังแล้วขอฟังความเห็นท่านว่ามันถูกต้องไหมแล้วท่านก็ยอมรับเวนี้ก็พวกพวกเพกืพ่อนฝูงต่างที่ทำงานกันทึงได้ยินได้ฟังก็เห็นด้วยนะฮะแล้วก็นำไปเผยแพร่แลักษณะมันเป็นวงกลม คือตัวปริยัติที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในพระไตรปิฎกเ น, นี่สถานะจริงๆเขาเนี่คือปฏิเวทมันออกจากพระโอษของพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเป็นคําสอนจากสัมผัสจงอันเป็นตัวปฏิเวทของพระองค์แต่พอเข้าหูคนเราก็ศึกษาเราก็ฟังนะสำหรับเรานี่คือปริยัติ ทีนี้เมื่อเป็นประยัดแล้วเราก็นำไปปฏิบัติพอปฏิบัติพอเกิดสัมผัสผลขึ้นมาไม่ใช่เทียบกับเราต้องไปเทียบกับพระเจ้ปิฎกวงกันกับพระเจ้ปิฎกไหมยังมีโยมสองคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาเจริญกรรมฐานสามารถไป้าพระพุทธเจ้าได้แล้วไปพบพระพุทธเจ้า ถามว่ามีกี่องค์แกบอกโอ้เป็นแสนๆเต่ผมทองพาไปหมดเลยอยู่ในเรียบทต่างๆกันถามมาต้องเอต้องการให้เห็นก็เห็นเลยแกบอกก็เห็นเลยก็เห็นเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะคิดให้เห็นขึ้นบอกว่าประเด็นที่คุณจะต้องมองอะนะฮะมันเหมือนกับเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราบอกว่าอิ่มในเราต้องไม่หิวด้วย ถ้าเราหิวก็ต้องไม่อิ่มคือมันจะมีสองอย่างด้วยกันไม่ได้ทั้งหิ ว, ท, หวทั้งอิ่มอย่างเบ็ดเบ็ดไม่ได้ทั้งป่วยทั้งหายป่วยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะธรรมะข้อเกิดเนี่ยสมาธินี่มันเป็นขั้นศึกต่ อ, อ ก, กามาชันอย่างที่บอกไว้แล้วก็สมมติให้เขาฟังนะฮะสมมติว่าคุณออกจากสมาธินในขณะที่คุณเึกว่าพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปเป็นแสนๆเนี่ย ่อคุณลืมตาออกจากสมาธิปับเห็นผู้หญิงสงวยนั่งอยู่ข้างหน้าระยาบทไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยคุณจะรู้สึกยังไงคุณรู้สึกมีความต้องการไหมแกบอกว่าเหมือนเดิมบอกว่านั่นแหละมันยืนยันว่าสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่สมาธิมันเป็นเรื่องปรุมขึ้นเป็นเรื่องของการเรียบปรุมคิดคิดปรุมขึ้น ตามสื่อที่มีการนําเสนอเป็นอาการของการหาอุปาทานแล้วก็ยึดขึ้นมาเป็นพบเป็นสภาวะคือความเป็นเป็นโดยก า, ารปรุงเขาเรียกว่าปรุงคิดคปรุงปุงคิดคปรุงปุงคิดคดปรุงกันไปแล้วมันก็เกิดพวกกินตะพาบพวกกินตนาการพวกอะไรต่างๆเคยพดหนังสือลุงปูนดุลท่านใช้คําดี ท่านบอกว่าเขาเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่จริงพูดได้เพราะมากนะเพราะอย่าลืมมาถ้าเราเห็นอย่างนั้นจริงเนี่ยจิตเราต้องสงบจากมิวรโดยเฉพาะข้อกรรมฉันหมายความสงบความต้องการทางเพศกับโลภะไม่ใช่เป็นกรรมฐานคิดโลกแล้วก็สันโดษที่ขอ คือไม่มันกัแดแย้งกันเองนะฮะถ้ากรรมฐานต้องไม่โลภถ้าสันโดต้องไม่เป็นคนคิดขอถ้ากรรมฐานยังแสดงความโลภ ก, ก็แสดงไม่ใช่กรรมฐานอันนี้ก็คือเรื่องของของธรรมะคือการตรวจสอบธรรมะเพราะเราจะเห็นว่าภายในจิตใจของท่านสุเมธะดาบทตรเนี่ยมันไม่มีความคิดอะไรที่นึกถึงตัวเอง แต่ว่าเป็นความคิดที่จะบริการโลกอภิบาลโลกแต่แน่นอนว่าท่านเองต้องอยู่ในจุดที่จะอภิบาลได้ที่จะบริการได้มันทำนองเหมือนคนต้องการจะช่วยคนให้รอดพ้นจากการจมน้าตายเนี่ยเราต้องว่ายน้ำเป็นนะฮะแต่เราว่ายน้ำไม่เป็นกระโดดลงไปช่วยเราก็ตายด้วย เป็นไว้ยแช่วยโดยวิธีอื่นเช่นเรโยนเชือกลงไปเราอยู่บนดันลิงหรือว่าพายเรือไปช่วยเขาแต่นอีกเครื่องหนึ่งแต่เราก็ต้องช่วยเป็นเพราะการอธิษฐานถ้าเราลองสังเกตว่าคําอธิษฐานมันแสดงถึงฐานจิตฐานจิตของท่านว่าเป็นฐานจิตที่กรอบด้วยความมุ่งมั่นสูงแล้วก็มีกรุณาสูงมาก เราจาักบรรลุสัพพนิทยานเป็นพระพุทธเจ้าในโลกก็คือต้องว่ายน้ำให้เป็นตะก่อนนั่นเองจากอย่างมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากล้วงน้ําใหญ่ด้วยกุศลนั่นยิ่งใหญ่นี้ <S <S นั้นก็หมายความว่าจุดมุ่งหมายที่สรงจะช่วยเนี่ยคิดจะช่วยนั้นเป็นการนองจากมุมสูงสุด นะตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าโดยหลักการของคนระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมองโลกในมุมเดียวคือมองด้วยความสงสารทาั้นั้นคนในโลกสาหรับพระพุทธเจ้าลราก็น่าสงสารทั้งนัน้เพราะอะไรพระตกอยู่ในทะเล ข, ของความทุกข์ยังไม่ทุกอะไรเนี่ยฮะก็เกรียกว่าสังสาระทุกข์เรียกว่าข้ามพ้นห้วงน้าใหญ่ ห้องน้ำใหญ่เนี่ยก็คือสังสารวัตรแล้วบางครั้งก็เรียกชื่อเป็นเป็นชื่อของกิเลสนะฮะหมายความว่าตัวเหตุให้ต้องขํามมุนวุ่นอยู่ในห้องน้ําใหญ่ก็เป็นการอธิบายถึงกิเลสสามข้อแต่ที่จริงก็เป็นอาการของวิชานั้นเองแต่การแรกเรียกว่าการโมคะห่วงน้ําคือการการก็แบ่งออกเป็นออปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นกิเลส ภายในใจอันนี้คือตัวใหญ่การนอกก็คือพวกวัตถุทั้งหลายหมายความว่าพวกนั้นที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นในที่มันเป็นแต่ว่าใจเราไปกําหนดด้วยความกําหนัดความกําหนัดมันก็เกิดเรากําหนดด้วยความโลภความโลภมันก็เกิดเรากำหนดด้วยความโกรธความโกรธมันก็เกิด ว, นด ว, ว, วันก่กกอนในความพระเทราผู้ใหญ่ท่านเหน่งท่าน เป็นนักเทศรุร่นเก่านะฮะอายุ8ปดสิบก็ไปแสดงมุทิตาจิตกับท่านท่านกำลังจะทำบุญแปดสิบรุ่งพืนเช้านะฮะไปตอนกลางคืนแล้วท่านก็คุยว่าคนเราตายไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าเกิดตามที่จิตเกาะตามตามเกาะท่านใช้กรมมตามเกาะเพื่อให้ก็สักอีกทีน่ง คือหมายความม่าจิตไปเกาะตรงไหนก็ไปเกิดอย่า ง, างนั้นน่ยตามโครงสร้างของกรรมารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์กตินิมิตอารมณ์คือจิตไปยึดเหนี่ยวอะไรไว้แล้วก็จะไปตามสิ่งที่จิตยึดเหนี่ยวเอาเพราะละาักษณะของการเกิดกิเลสมันก็มีลักษณะอย่างกันคือมายความม่าตัววัตถุสมมติว่าอะไรละ่ะนาฬิการาคาแพงเนนะี่ย มีคนก็คุยบยังก่อนเนี่ยเข า, เาประ ก, กาศให้ดูราคาเป็นแสนเรามาเขียนดูก็ไม่เห็นมันดีพิเศษอะไรมันก็ปาะ ก, กาลูกเล่นธรรมดาธรรมดานี่งตัวด้ามมันนะแต่ว่าเราใช้ปากกาเนี่ยใช้ตัวไส้ด้ามไม่ใช่ตัวหลักตัวไส้เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักแต่ก็ให้ให้ความต้องการแก่ด้ามเป็นที่จะให้ความต้องการแก่นนไส้ ใช่บางทีก็าราคาวิจีตสตังนะฮะตัวด้ามราคาเป็นแสนแล้วก็นึกว่าถ้าให้เราเราไม่เอาหาเรื่องเดือดร้อนพบปากการาคาด้ามมันเป็นแสนนี่สยองเลยนะฮะอาจจะถูกเปิ้นหรืออาจจะถูกมองเกินสถานะของความเป็นพระไป เพราะในแนวตรงนี้ยมันมันมันอยู่ที่ว่าพอจิตใจเราประนีตขึ้นเนี่ยมันจะนึกถึงตัวเองน้อยเพราะอะไเพราะกิเลสมันลดกิเลสมันลดเนี่ยมันจะมองออกนอกมันเหมือนกับเรากินเนี่ยเราจะกินอะไรนักหนาตัวเราก็ทําเนี้ยมันจะนึกถึงคนอื่นเราทายังไงจะช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งให้คนอื่นก็ได้กินด้วย เรามีอะไรมากๆกระทำยังไงจะไปแบ่งให้คนอื่นเขาได้มีด้วยอัธยาศัยอย่างนี้เขาเรียกอัธยาศัยของมหาบุรุษมันมากเบยกรุณาฟันพอยเห็นพระพุทธเจ้าถ้าเด็ดเดินมาเนี่ยถ้เด็ดพระตบเดินมาพร้อมด้วยพระหันดาสาวกเนี่ยมันซาบซึ้งมันดื่มดำ่ำมันเกิดประทับใจ แต่ว่าแทนที่จะอยากจะบวชมไม่อยากจะบวชอยากจะทำงานอย่างพระพุทธเจ้าทำเลยก็อธิษฐานใจอย่างนั้นแล้วพระวุดารับของพระทีปังกรพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามันก็ตรงเพี้ยกับพุทธประวัติชื่อเสียงเรียงนามทั้งหมดมีผิดออกไปสองชื่อที่หมายความมาเรียกชื่อเดิมนะฮะ คือเราในเรียกชื่อเรียกว่าเนมิตกันนามชื่อภาษาริบุตรพระโมคขาลานะเนี่ยที่จริงถ้าเรียกว่าชื่ออุปติสสะและโกลิตะชื่อจริงๆในเช่างนั้นแต่ว่ามันเป็นลูกหัวปีของครอบครัวภาษาริบุตรก็จึได้รู้ถูกเรียกว่าลูกนางสารีพระโมคขาลานะก็ถูกเรียกว่าลูกชายนางโมกขันลีก็เรียกว่าโมกขาลานะเพราะนคนทั่วไปไม่รู้ เราไม่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านก็ไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยคือชื่อจริงของท่านคล้ายๆกับท่านอานาธบินทิกะเศรษฐีนี่ชื่อจริงชื่อว่าสุทัตตะคือเรืบดีชื่อสุทัตตะนะฮะสุทัตตะเศรษฐีสุทัตตะคือเรืองบดีก็แล้วแต่แต่ชื่อจริงๆคือสุทัตตะแต่ว่าเพราะท่านตั้งโรงทานบริจาคทานชื่อเหลือคือกูลแก่ประชาชนผู้ยากจนขัดสนอนาถาเขาเรียกอานาธบินทิกะ เพราะว่าเศรษฐีที่มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาอาหารที่พึ่งไม่ได้แล้วเรียกกันจนติดปากเลยไม่มีใครรู้จักชื่อจริงท่านพรเจ้าก็ทรงเรียกเก็มพป้เคยล่าฟังวันก่อนนี่อีกชื่อเดิมพอนทงมีปฏิปังกรพรพทธเจ้าก็รับสั่งเรียกชื่อเดิมของพระสารีบุตรพโมกันล้นะ แต่ว่าในกลับที่ทรงใช้คําว่าหาประมาณมิได้ต่อจากพัตรกับกัปของพระองค์ก็แสดงอายุ ข, ของพระองค์เนี่ยก็จัดเป็นพัตตกับคือพัดกับที่มันมีความเจริญนะฮะถ้าเราดูว่าถ้าเรานับเรียงขึ้นไปจากข้างบนนะฮะไม่ใช่การนับเรียงจากพระพุทธเจ้าเราขึ้นไปเนี่ยเราเจนว่าพระทีปังกรเป็นองค์ที่สี่ เป็นเอวองค์ที่สี่อยู่ในสารมันทักับที่สี่นับจากพระตันหังกรเมธังกรสนังกรแล้วก็ทีปังกรต่อจากนั้นมันผ่านพระพุทธเจ้าระดับที่ห้าพระพุทธเจ้าเรามาอยู่ถึงระดับที่ยี่สิบแปดนานมากเลยผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นอนเนกนันนมันก็แสดงให้เห็นหนึ่งว่า เสียสละขนาดไหนถ้าท่านจะออกบวชตรงนั้นท่านก็บวชได้ล้วมรรลุมรรคผลเป็นพระานได้ด้วยนะแต่ว่าท่านก็ไม่ออกบวชเพราะพื้นฐานของมนุษย์ที่มีใจกรุณาตัวสรรพสัตว์จะคิดเผื่อคนอื่นมากกว่าจะคิดถึงตัวเองแล้วก็จะทุ่มเทชีวิตบิญญาณลงไปเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาต ตั้งฝังทั้งหลายแต่ร่วมระโพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี